แล้วไม่ต้องกลัวทักให้ทันทักให้ทันนะแล้วไม่ต้องกลัวอะไรมากที่กลัวมากกว่าพวกมารข้างนอกคือไอเราเองเนี่ยอย่าพัฒนาตัวเองให้เป็นมารบางทีแล้วก็เป็นมารขัดกันเองเวลาเห็นคนอื่นเขาภาวนาดีอิจฉามีไหมอิจฉาหมอิจฉานะ่ะถ้าไม่ระวังให้ดีนะเราจะพัฒนากลายเป็นมารอยากใหญ่อยากเด่นเนี่ยนะ มันมาจากตัวมานะมานะอยากใหญ่อยากเด่นถ้าเห็นทันก็แสดงว่ า, าขนาดที่เห็นนั้นนะ่ะได้ตกหัวมารตัวเองไปทีหนึ่งตกหัวมาณตัวเองจริงตัวมานะเนี่ยนะจะเป็นเป็นกิเลสที่น่ากลัวเพราะว่าคนอื่นเห็นนั่นนะจะเห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของเราโฉมหน้าที่แท้จริงอันหนึ่งที่มันเหมือนเป็นตัวอยากใหญ่ แล้วก็น่าเกียดน่ากลัวมันถ้าเห็นภาพแล้วเนี่ยมันจะดูเลนมานเป็นยักษ์มารนมารนตัวนี้ที่ว่าเป็นเทวปุตตมารนมารนข้างนอกเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับว่าถ้าเราไม่ระวังเราเองเนี่ยจะกลายเป็นเทวปุตตมารนของคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่มุมให้ถูกต้องมาร์นสามตัวแรกมองให้มันเป็นมิตร รู้จักมันทันทีที่รู้จักเราได้สติมันเกิดเป็นปกติของจิตของปุถุชนทุกๆคนที่จะมีกิเลสต่างๆที่จะมีขันธมารที่จะมีอภิสังขารมานมีกิเลสมานเป็นเรื่องปกติของปุถุชนที่จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมองว่ามันเป็นเครื่องฝึกสติทุกครั้งที่มันเกิดถ้าเราทักทันทุกครั้งที่เราเกิดมาเราทักทันทุกครั้งที่ทักทันเราจะได้แต้ม คือได้สติขึ้นมาทุกครั้งที่ที่เห็นมันถ้าไม่เห็นมันมันก็มีอานาจแล้วก็มีอิทธิพลครอบงำเราทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีในสายตาคนอื่นทำให้เราไปผิดศีลทาให้เราพูดไม่ดีทำให้เราไปทำร้ายเขาทำให้เราไปทาทรัพย์สินของอื่นเสียหายส่วนมัจจุมานไม่พ้นหรอกแต่อย่าไปกลัว ท่านให้ดูความตายเป็นเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทดังนั้นตัวมัจจุมานเราก็ต้องผูกมิตรกับเขาด้วยมัจจุมาลเนี่ยต้องผูกมิตรกับเขาด้วยคือเห็นแล้วไม่ต้องกลัวแต่อย่าประมาทให้เป็นเครื่องเตือนใจว่าเป็นเหมือนมิตรที่คอยมาเตือนอยู่เรื่อยๆว่าอย่าประมาทนะความตายอยู่ข้างหน้านะความตายไม่ได้ไล่มาข้างหลังนะความตายดักกรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ยอมบอกด้วยว่าดักอยู่กิโลเมตรที่เท่าไหร่ จะดักตีหัวเราเมื่อไหร่ไม่รู้นะอันตรายอยู่ตรงนี้แหละแต่มันจะส่งเสียงมาอยู่ว่าฉันอยู่นะฉันยังอยู่นะถ้ารู้จักความตายว่ามันดักอยู่ให้ขอบใจเขาด้วยขอบใจที่เตือนว่าชีวิตนี้มันมีน้อยฉันจะไม่ประมาทขอบใจมากขอบใจมากเวลามีกิเลสเก็ขึ้นมาทักมันไปทักเพื่อนซะบ้างว่าไงเจ้าโทสะว่าไงเจ้าราคะรู้จักมันนะ แต่ไม่ต้องไปรู้จักเรื่องราวไม่ต้องไปรู้จักเรื่องราวรู้จักตัวกิเลสรู้จักตัวปรุงแต่ง